เราไม่รู้สังขารถ้าเราติดอยู่ในพระ涅槃ก็เรียกว่าเราไม่รู้พระ涅槃เราไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆเลยเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจรึงไม่มีนั่นนั่นชันนนน้นสูงนั่นนั่นนั่นทชั้นสูงเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้ อดีตตามจริงของอดีตแต่เราไม่ติดอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือนิทานของผู้ปัจจุบันที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือนิทานของผู้ปัจจุบันที่ยังไม่ถึงใครไปไปสมมุติอดีตอนาคตมาก็ผู้ปัจจุบันใช่หรือไม่ัดัดัดัด ย่นลงมาแล้วเนี่ยย่นลงมาสามการเอ้าพระเนเพานเป็นจิตหรือไม่พระเนเพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระเนเพานมนัทเทมิงเป็นนิบินทติรูเปสุเป็นนิบินทติพระทหา์ก็นายรูปนายเวทนานายสัญญานายสังขารนายวิญญาณนายตานายหูนายจมูกนายลิ้นนายกายนายใจ มนัตติหมิงเป็ีนิบินทตินายใจมโนวิญญาณเปรีนิบินทตินายมโนวิญญาณมโนสัมผัสเสเป็ีนิบินทตินายมโนสัมผัสอุปัชชะติก็เกิดขึ้นเวทยทาสังซึ่งเวทนาสุก ข, ขังก็ดีทุก ข, ขังก็ดีอุเบกขาก็ดีทุกทุกอุเบกขาก็ดีพระนั้นได้หมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยนายอะไร นายตาก็ยังเอาตาไปดูอยู่นายหูก็ยังเอาหูไปฟังอยู่นายจมูกก็ยังเอาจมูกไปดมกลิ่นอยู่นายลิ่นก็ยังเอาริมรถดูนายผลตะพระก็เหมือนกันนายกายก็เหมือนกันอันนี้พูดเป็นหกคืออทิตตาปริ ย, ายาัตสุทธถ้าพูดเป็นห้าก็มีลูกมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นคำว่านายตาหูจมูกเล่นกายใจคือนายยังไง นายผู้ไปหลงว่าตาเป็นตนตนเป็นตานายผู้ไปหลงว่าหูหูเป็นตนตนเป็นหูนายผู้ลูกไม่ตามเป็นจริงนายผู้ไปยึดถือว่าจมูกเป็นตนตนเป็นจมูกลิ้นเป็นตนตนเป็นลิ้นกายเป็นตนตนเป็นกายใจเป็นตนตนเป็นใจทีนี้ย่นสิ่งเหล่านี้ลงมาหาใจซะทีนี้ตามันไปรับจดหมายด่วนไปไปเห็นลูกก็กระส่งลงั้งใจ มันโทรอะเรียกลงมันโทรศัพท์ลงอะเสียงไปกระทบหูมันก็ส่งลงถึงใจสิ่งที่พอรักก็รักสิ่งที่พอจังก็ชังสิ่งที่พอหลงก็หลงนั่นเป็นหน้าที่ของใจนัน่นนัน่เป็นงานของใจตาอาใครไปใส่ชื่อให้ตาตาครับมันก็ไม่ว่าปฏิเสธมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมปฏิเสธหูครับมันก็ไม่ว่า ปฏิเสธมันก็ไม่ปฏิเสธเฉยมันก็ไม่เฉยจมูกครับมันก็แม่ว่าเลี้นครับมันก็แม่ว่าหรือปฏิเสธมันก็ไม่ปฏิเสธหรือวางเฉยมันก็ไม่วางเฉยกายครับมันก็แม่ว่าเฉยมันก็แม่ว่าทีนี้ไม่มีใครใส่ชื่อให้ต้น ก็เอาโขนสวมหัวตนเองไว้ใจก่ไก่ไก่ไก่ดีๆถ้าเรารู้เท่าใจตอนไหนก็เป็นทุกตอนนั้นใจไหมนันน น, นตัวไปฟ้องเขาตัวหาดจิตคุกฟ้องเขาว่าตาฟ้องเขาว่าหูฟ้องเขาว่าจมูกฟ้องเขาว่าลิ้นฟ้องเขาว่ากายนะใจเป็นผู้ไปฟ้องเขาเออดีละอืม ผมจะเป็นสมบัติของพยาคิตราชเขาก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ปฏิเสธเหมือนกันนั่นั่นนัทีนี้ไใจไก่เขาเป็นบ้าจะพอยไกตากูหูกูจมูกกูลิ้นกูกายกูถ้าไม่อยู่ในอำนาจของกูกูก็เดีอดีใจเสียใจตนก็จินพูนตนก็ออก รอดพ้องใช่ไหมนั่นน่นนั่นนั่นทั่นทำทั้งหลายย่นลงถึงใจแล้วทีนี้ย่นแล้วทีนี้ศสียใจสมาธิใจตั้งมั่นอยู่ที่ใจตัดสินลงที่ใจศีลตโสสารเจรีอืมนก็ตัวลอลีงไม่ใช่ตัดศินศีลคือศีลาศีลังทําให้แน่นหนาเหมือนเสียชิ้นสีลาเหมือนศีลาสัก ศีลก็ตั้งอยู่ที่ใจสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในที่ใจปัญญาคอรบรูในที่ใจตกลงศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่ใจเลยนี่ย่นลงมาหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านย่นลงมาหาลักหน่วยซักนั่ะถูกไหมพูดมากก็มากออกไปจากใจหารก็หาลงมาถึงใจเรียกว่าโิหานสัพพทุกย่นลงมาหาเอกทุกใช่ไหมนั่นนั่น สภาพตายย่นลงมาหาเอกระตายในวัจจุบัตบรรใช่ไหมนับเป็นหินเม็ดทรายดูดูก็นับได้นับเป็นฝ่ายสังฆโหสังฆะย่นลงสิ่งไหนที่เป็นของแข็งก็สิ่งไหนที่เป็นของแข็งเรียกว่าผมขนเล็บฟันนังเลือกระดูกเยอในกระดูกว่มามัวใจตาฟางผื่ไตปอด ใ, ใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่จะเป็นธาตุดินซะ ดีสเสด็ดน้องเงือกเงือก ม, มันมันคนตามตาเปลี่ยมน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้ข้อน้ำมูกจัดเป็นถัดน้ำซักไฟที่ากายให้ปวดอบอุ่นไฟที่กายให้สุดโฉมไฟที่กายให้กระวนกวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยจัดเป็นถัดไฟซะลมพัดขึ้นเบื้องบนลมหายลมเนลอลมอวกลมพัดลงเบื้องต่ำผายลมหรือลมถ่ายวิจาระถ่ายปชจฉะ ลมดันลงลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเขาออกจัดลงเป็นธาตุลมซะนับเม็ดเด็ดเม็ดลมเม็ดฝนดูดูเอกปทวีธาตุหนึ่งดินเอกอาโปธาตุหนึ่งน้ำ เอกเตโชาธาตหนึ่งไฟเอากอาวาโยาธาตหนึ่งลมน่ภาษาดิบุตรนับเม็ดเด็ดเม็ดลมเม็ดฝนได้มันก็ต้องนับอย่างนี้ถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามกี่มือกี่ปีมันจึงจะจบนั่นจนถึงอาสงไขยมันจึงจะจบผู้นับก็เป็นผีบ้าผู้ไปเป็นกรรมการก็เป็นผีบ้าใช่ไหม <laughs> นั่นนั่นนั่น นะนะทุกสิ่งทุกอย่างมันลวงไปลวกไปสังขารได้เกิดขึ้นในอดีตสังขาร น, นั้นก็ดับในอดีตสังขารได้เกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็ดับในอนาคตสังขารได้เกิดขึ้นในปัจจุบันสังขาร น, นั้นก็ดับในปัจจุบันเหมือนน้ำไหลให้ใหอยู่หาร้่าไม่ได้ آ, choking, มันไ ม, ม ไ, มไม่มีรอบเลยมันไม่มีรอบเลยไม่รู้รอบมันก็เป็นรอบเก่าของมันนั่นเองนั่นะไม่ใช่เป็นรอบใหม่ สวัสดีปีใหม่ก็เหมือนกันแหละแต่ใกล้จะตายกับปีเกลายใช่ไหมนั่นก็ปีเก่ามันมาเป็นรอบๆมันใช่ไหมของใหม่มีไหมไม่มีของใหม่ก็ของเก่าอันไหนมันดีตัวของเก่าเสียมันดีไอ้ก้นที่นั่งอยู่วนี้เอาก้นใหม่มาจากไหนนั่นนี่ของเก่า ของเก่าที่ควรเว้นของเก่าที่ควรปฏิบัติตามของเก่าที่ควรเว้นก็คือทางที่ไม่เป็นประโยชน์ของเก่าที่ควรปฏิบัติก็คือทางที่เป็นประโยชน์เอสะธรรมโมสะนันตโนพระธรรมเป็นของเกา่านั่นนะพระบระมศาล า, าสอนไม่ใช่ของใหม่นี่นี่นี่นีูจะก้เป็นของใหม่ไหมไม่ใช่เป็นของใหม่ ของเก่าที่พวกเธอทั้งหลายที่เอามาทิ้งซากก้อนนี้เองพระบรมาสารีราในพระพุทธเจ้าในกัปหนึ่งในกัปนี้มีพระพุทธเจ้ากัคคุชนโธโกนาคมโนกัตถโปโคตโมอริยเมตไตโยจะมาอีกในกัปหนึ่งถ้าเก็บน้ําตาไว้ชาติรยศมาให้อันตรธานไปชั่วกัปหนึ่งคนหนึ่ง ก็มากกว่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรนั่ น, น, นถ้าเก็บกระดูกไว้กับชาติหนึ่งชาติหัวเท่าพ่อแม่มือนี่เองถ้าเก็บไว้ชาติถ้าถ้ า, ถ, า, ถ, า, ถ, า, ถ, าถ้าเก็บไว้ให้ครบกับหนึ่งไม่ให้อันตรธานไปกระดูกของพวกเราเก็บไว้คนรัหัวแม่มือนี่ก็ใหญ่กว่าภูเขาเหิมาอะไรอีกซะด้วยอ่ะ เหตนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปถือว่าเป็นของใหม่เลยในโลกอันนี้เป็นของเก่าที่พวกเธอทั้งหลายเคยเที่ยวมานั่นเองพระบรมสาร า, ศาเอา้าคนมีมากในโลกคนนั้นไม่เคยเป็นญาติคนนี้ไม่เคยเป็นพี่เป็นนอ้องเคยเป็นเคยเป็นอันนั้นอันนี้ไม่มีเลยท่านจงไปมองดูสิไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งพระบรมสศารศาเอี่ อันนี้หนะ้าสังเวชนะเนี่นะอทําแต่ไะบดระ บ, รบาดถ้าไม่ทําให้ระอาในวัฏฏสังสารก็สู้พาสิทเดียวไม่ได้พระบรมศาสตราพดนะุทธาจะเทศวันยังค่กาก็ตามจะถือเป็นของสนุกก็าตามถ้าไม่เป็นเครื่องสลุดจิตทําให้เบื่อหน่ายในวัฏฏสังสารก็สู้ภาสิทธเดียวไม่ได้พระบรมศาสตราอย่างยอดระมาอีกอยู่ พระบระมศาตราไปเมืองสักเกตโยมโยมหน้าเหีเห่ยวไปกอดแข้งกอดขาพระบระมศาตราเ อ, อเดีย๋ยอาน o ์เราไปนี่จะมีโยมมากอดแข้งกอดขาเราเธออย่าไปสงสัยเรานะบอกไว้ก่อนเลยคโยมหน้าเหีเห่ยวสมภพเมียมากอดแข้งกอดขาพระบระมศาตราเออลูกเอ๋ยอื ทำไมจึงไม่มาหาพ่อหาแม่พ่อแม่ได้ยินข่าวว่าอยู่ในเมืองสาวัถีคอยวันคอยคืนอยู่เออนึกถึงออยอมพ่อยอมแม่อยู่แต่ว่าบัญญัติสิษาบทอะไรต่ออะไรยุ่งเหยิงเดี๋ยวนี้มีมีเวลามาแล้วก็เลยกอดแข้งกอดขาพระบุรมาศาสตร์เกศเอาเทศเอาเทศเอ า, เเอ า, เเอาก็เลยสำเร็จผลลัพแล้วก็เลยสิ้นลมพานพราะแก่แล้ว พอได้โอกาสออกากนั้นพระอานุ์ก็กราบทูลโยมสองคนหน้าเหีเห่ยวๆคนชาวนาทำไมยังไปกอดแข้งกอดขาไปจบไปแกงมากพระเจ้าข้าพระอานุ์ยังเป็นพัสดวาบันยังไม่รู้อหนูอิเห่ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอานุ์เ อ, อ๋ยความคุ้นเชื่องมันไม่มาแต่รายชาติหลายพบแล้วออฝากฝากพระเจ้าโอกาสกระาดไป ฟากครั้งกับบิวงังกบิรนพัดไปอีกอกโขเคยได้เป็นพ่อเป็นแม่ติดติดกันมาห้าร้อยชาติเคยได้เป็นอาเป็นป้าเป็นหน้าเป็นพี่เป็นน้อง ก, กันมาสิ่บละห้าห้าร้อยชาติห้ารอยชาติติดตดกันมาอแต่เดึกดําบันเนับเป็นชัน้นแสนชาตลาิล้านชาติความคุ้นเคยอันนั้นก็ติดมา เหตุนั้นจึงเอาความคุ้นเคยอันนั้นมาทําไม่ใช่ตั้งประจวบประแจงหรผู้ที่เห็นกันค่าวเดียวไม่ถูกหน้าถูกตากันเลยยังไม่พูดไม่ถูกนิสัยวาสนาไม่กินกับธาตุก็เพราะเคยได้ผิดกันมาเคยไม่ถูกธาตุกันมาแต่ชาติก่อนพระบรมศาสลาถูกไหยนั่นนั่นนั่นแหะถามไม่คา้าละไงพระบรมศาสลานั่น เธอทั้งหลายไปดูหรูไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งเลยเคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยเป็นโคเป็นกระบือเคยเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่สารพัดมาทุกชาติทุกภบแล้วเราก็เหมือนกันพวกท่านก็เหมือนกันนะพระบรมชาติท่านทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นโรคใหม่หรือเป็นโลกเก่าที่พวกเราเคยท่องเที่ยวมานั่นเองท่านจะไปอยู่โลคใหม่จะไปอยู่ไหนไม่มีที่อยู่หรอกท่านพูดอย่างนั้น มนุษย์ก็ดีเทวโลกก็ดีภูมโลกก็ดีสัตว์นรกก็ดีสัตว์สีเท่าสองเท่าที่มีวิญญาณคลองเสียงในตจโลกธาตุเอเป็นของเก่าของพวกเราทั้งหลายที่เคยท่องเที่ยวมานั่นเองไม่ใช่อันใหม่เลยพระบรมศาสตราเอ้าใครเป็นผู้หาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นก็พระหันเท่านั้นหาไม่เจอไม่เจไม่พบไม่ปะไม่เห็นเหตุนั้น จึงข้ามทะเลหลงของตนไปซักนั่ น, น, น, น, นข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงข้ามความโง่ด้วยความฉลาดข้ามความขี้เกียจ ด, ด้วยความขยันใช่ไหมข้ามความเห็นผิดด้วยความเห็นถูกตามเป็นจริงหนักนักนักหนักสู้พระพุทธศาสนาไม่ได้ใครจะเก่งสักเพียงไหนก็สู้พระพุทธศาสนาไม่ได้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลกทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยแต่ชาวโลกขบไม่แตกก็ไม่ถือไม่พระพุทธศาสนาก็ไม่ไม่ไม่ต้องเกี่ยวท่านมาเทศสนะเอาแต่ระยุกระยุกได้เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนคนโคก็มอบไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์หน้าอันอันคนอันเขาโคก็นับเป็นจำนวนแสนๆละล้านโกดกโอดเน้อ ถึงอย่างนั้นก็ยังเหลืออีกอโขเด็กกับมอบพระพุทธเจ้าองค์หน้าในตัวทำไมเขาจึงไม่มาเลื่อมใส่พระบารมีของเขายัางอ่อนอยู่เขาก็ไม่มาเลื่อมใส่เขาจะถือดีสักเพียงในก็าตามศาสนาพุทธมีพระ涅ภานศาสนาอื่นอย่ามาเอ่ยเลยนัดนนัดนั่ก็เมื่อในมหาปริญญาพานสูตร พระ อ, องค์นั่นก็บวชในวันนั้นสําเร็จในวันนั้นเรียกว่าปัจฉิม ะ, ะมะสาวกสัพพสมสาวกคือปรกรณ์ธัญะเคยได้เป็นพี่เป็นน้องกันแต่ชาติก่อนคนนั้นปกรณ์ธัญะเคยได้ทานข้าวเก้าข้างพี่ชายไม่ได้ทานกูเอาขึ้นยุ่งขึ้นฉางแล้วกูจึงจะทานไว้จันทนั้นจึงได้สาเร็จพระรหันทีหลังของน้อง แต่ก่อนเคยก่อนเคยแต่ชาติก่อนมาแต่ข้าพเจ้าก็อ ก, อกหมดก่อนเคยเป็นพี่กับน้อง ก, กันมานันะท้าหูดมากมันก็จะยืดยาวเสาไกลเกินไปทีนี้ก็ถามศาสนาอื่นถ้าเขาไม่ประมาทในยันยัควิธีของเขา เขถึงสุบก็จะปโนชุบยาญาสามีบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างทำถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำนัดที่อื่นศาสนาอื่นไม่มีพระสวดาบาลจักทาคามีอนาคามีเลยมีพระหันเลยมีก็มีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้น ทำไมเขาจึงไม่มาเรื่อมใสพระเจ้าข้าก็เพราะบารมีของเขายังอ่อนอยู่พระบรมสศารศาศาศาีรอ น, น์โมกคลาสารีบทมาจากไหนก็มาศาตร์มาจากปฏิภาชกมาจากสวนชัยปฏิภาชกาาถูกสวนชัยปฏิภาชกมาเรื่อมใสศาสนาพุทธจึงสามารถถึงพระโสดาบันได้ถึงอย่างนั้นท่านก็ปรารถนา เป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวามาแต่ข้างพระเจ้าอโนวัทษศีอโนวัทษศีชนุตตโมพัทโมโรกปโโตนารโทรสารสีปุมุตตโรสกตาสาโรสุเมโทปติภุกรโรสุชาโตจัปโรกโกปียาทัตศีนาราโสโออัฏฐาทศรีกาลมิโกธรรมทัตศีตโมนุโตสิทโตอัตโมโรเกติดโตจาวตังวโร พุทธเจ้านาโรพุทโธวิปัสสีจานุโภติสิกีสัพหิโตสาัาเวททพุทุกธายโกกกุสันโทสัตวาหูโกนาคมนโน ร, ราหันยโหขัตโปสีสัมปโนโคตโมสักยะปุงโขปัถนามาแต่ข้างพระเจ้าอนุมทศีสิบสี่พระองค์แล้วในร่วงมากสิบห้าสิบหกสิบ็ดสิบแปดสิบเก้าพระองค์อ่ิเก้าพระองค์จึงสำเร็จ เป็นสาวกเบือเบ้องซ้ายเบื้องขวาของพระเจ้าโคตมะปรารถนามาแต่ข้างพระเจ้าอโนมทัตสีนพระอโนทัตสีมาพักอยู่ที่ป่าโมกคลาสาในบทก็มีบริวารทางละหมื่นคนพวกบริวาร น, นั่นตั้งใจฟังธรรมเทศนาของพระเจ้าอโนบัตสีก็เลยสําเร็จพระหัน์หมด ส่วนโมกขาลาสารีบุตรไม่สำเร็จเสียแล้วเพราะคาปราถนาไปเห็นสาวกเบื้องขวาของพระสมาสพรพุทธเจ้าองค์นั้นก็เลยชอบของพระอนมัสสีก็เลยปร า, า, ารถนาสาวกเบื้องขวาพระโมกขาลาก็ปราถนาสาวกเบื้องซ้ายส่วนลูกศิษย์ของโมคขาลาสารีบุตรนั้นสําเร็จพระหันหมดแล้วเพราะเขาไม่ปราถนาอะไรมันก็ เขาตั้งใจฟังเขาก็พ้นจากกิเลสนั่นแหะเพราะเขาก็สร้างบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วทีนี้ปัตตนาสาวก บ, บ้างซ้ายบ้างขวาน่ะมันก็ต้องสร้างบา ร, รมีหนึ่งอสงไข่กับแสนกับปรารถนาพระพจิก็สองอสงไข่นั่นนั่ น, น, นพระพุทธเจ้าของเราสีอสงไข่แสนมหากับหนักนักมีตำนานนิทานหมด ไม่ได้โง่เลยศาสนาพุทธตอบได้หมดนะผู้ที่เรื่อมใสศาสนาพุทธก็พระบารมีแก่กล้ามาแล้วเท่านั้นพอแล้วผู้ยังไม่เรื่อมใสก็พระบารมียังอ่อนถูกไหมอ๋อได้แก้ตัวหนึ่งขณะกุยเชีหาอาหารไปพบพรอยเม็ดหนึ่งงามดีมีข้ามาก จึงพูดเปลยเปยขึ้นว่าถ้าเจ้าขอของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาจะเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเดิมนี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราสู้แก่สู้แต่เข้ า, ส, ขาสู่เข้าสารมาเล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเขีย่ไปในแปลงอื่นๆนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู له, ้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้แต่พวกเราก็เหมือนกันสู้รัตที่อื s <S ่นของเราไม่ได้รัตที่พระพุทธศาสนาคนเลยหากินไปในแปลงอื่นๆนะดัดดัดดวกไว้กบเลือกนายมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในเบึงใหญ่อยู่มากบฝูงนั้นอยากจะหานายคุ้มครองป้องกันตัวจึงไปหาเทวดาร้องแก่เทวดาขอให้หานายให้ เทวดาก็เห็นความโง่เขลาพระเทวดาก็ทิ้งไม้คอนใหญ่ลงไปเสียงดังสะท้านทำให้กบตื่นตกุกตกใจมีกบกร้าตัวหนึ่งว่ายน้ำมองมาเห็นก็ขึ้นง่อยขี่อยู่บนไม้ทีนี่ตัวอื่นเขามาอยู่เหมือนกันนานไปนานไปก็เบื่อทีนี่เพราะว่าขอนไม้ไม่ได้สั่งสอนอะไรเลยี่ขอนไม้ก็ไม่ได้สั่งสอนอะไรเลยทีนี่แล้ว ก็ปล่อยร่องแก่เทวดาอีกเทวดาก็เห็นโง่ความโง่เขาของกบก็ปล่อยนกกระสาลงมานกกระสาก็จิกกินวันละตัวสองตัวก็หมดกบฟูมนั้นแต่พวกเราก็เหมือนกันเอารัฐที่อื่นมามาเรื่อมใสนับถือศาสนาเดี๋ยวก็คลิปหาย ไอ้อากาศทำที่ควรได้ควรถึงวันละตัวสองตัวปีละตัวสองตัวก็ไปใหญ่กันเลยนั่นนั่นนั่นนั่ น, น, น, น, นอา้าวิธีนะครับอธิกรในคางพุทธการเ็ามีอยู่สิ่งไม่มีไม่ได้สอนอะไรมานม่ไดอธิกรมีสิความเขียงกันว่าสิ่งนี้เป็นทำเป็นไม่ไนสิ่งนี้ไม่ใช่ทำไม่ใช่ไม่ในเรียกวิวาธาธิกร สองความโจทย์กันด้วยอายบัตนน้นั้นๆเรียกอนุว า, าทิคอนสามอาบัตทั้งปวงเรียกอาปตาทิคอนสี่กิจที่งทงจะต้องทําเรียกกิจจาธิกรมีสี่ข้ออธิกรเกิดขึ้นมีอยู่สิบแปดอย่างตามมารีแกว้วเก้าคู่อธิกรเกิดขึ้นนี่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมนี่คู่หนึ่ง น, นี่เป็นวินัยนี่ไม่เป็นวินัยนี่คู่นึ่งนี่พระศาสนาขดเจ้าทรงมันยัดไว้นี่พระศาสญญานธธาขดเจ้าไม่ได้ทรงมันยัดไว้นี่คู่หนึ่ง นี่พระธรรมคตเจ้าทรงว่าพฤติมานี่พระธรรคดเจ้าไม่ได้ทรงว่าพฤติมานี่คู่หนึ่งนี่เป็นอาบัติเบานี่เป็นอาบัติหนักนี่เป็นอาบัติมีส่วนเหลือนี่เป็นอาบัติหาส่วนเหลือไม่ได้นี่เป็นอาบัติหยาบคายนี่มัเป็นอาบัติหยาบคายอาชีกรนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทรงไม่รีบดังับงเสียจะทําให้เกิดนานาสังวาสนานานี่กายอาชกรนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทรงไม่รีบระงับงเสียจะทําให้เกิดนานาสังวาสนานานี่กาย อุปกรณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วพุทธบริษัทไม่รีบระ ง, งับสีอะไม่ได้ว่าสงไม่รีบระ ง, งับสีจะทําให้เกิดนานาจังหวัดนานานิกายวิธีระ ง, งับอธิกรณ์ทั้งสีนั้นมีอยู่เจ็อย่างแต่อธิกรณ์ชนิดไหนควรระงับสมถะอะไรอธิการะสมถะมีเจ็ดทำเครื่องระงับอธิกรณ์ทั้งสี่นั้นในที่พรอมหน้าสง์ในที่พรอบหน้าบุคคลในที่พรอมหน้าวัตถุ ในที่พร้อมนารรม่าทำเรียกสำมะขุวินยัยอันนี้ระงับแบบหนึง่งสองซอความเที่ยงสองสภการให้สมมุติแก่พระหัน์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไปใครสวดท่านโน อ, อาบัตเรียกสติวินยัยอันนี้ระงับแบบหนึง่งจําเลยเป็นผู้มีสติไพบูรไม่เป็นฐานะของจําเลยจะทําการละเมิดดังที่โจทย์กล่าวหาสวดกรรมวาจาจารไว้ให้สติวินยัยแล้วยกฟ้องของโจทก์เสียนี่ เรีกว่าโจดพระรหัสน่ะต้องทำอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ทํากันเพราะไม่รู้จักว่าใครจะเป็นพระรหันี่ก็เลยไม่ได้ทํากันทุกวันเนี้ความ ท, ที่สองฉบับประกาศให้สมมุติแก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไปใครโจด ท, ท่านว่าอาบัตที่เธอทําในเวลาเป็นบ้าเรียกอมูลราหวินยัยภิกษุเป็นบ้าห้ามมาให้โจดอาบัตเมื่อเธอหายเป็นบ้าแล้วมาทําผิดจึงโจดอาบัติ แต่ก็ไม่ค่อยได้ทํากันบางทีมันจําท่าเป็นว่าเอาก็มี <c oughs> มันไม่เชื่อกันในสองข้อนี้ก็อธิกรณ์อธิการณ์นะสมรรถะสองข้อนียัไม่ออกความที่ปรับที่นี่วิธีแบบหนึ่งวิธีระงับอธิกรณ์ความปรับอาบัตตามปฏิญญาของจําเลยผู้รับเป็นสัตว์เรี ย, ปยกปฏิญญาตทารณาแนี่ระงับแบบหนึ่ง จำเลยผู้รับเป็นสัตว์เรียกปฏิญญาธกรณะถ้าจำเลยมารับเป็นสัตว์ก็รับไปได้เช่นเป็นอบัติปาราชิกมารับเพียงสังฆาทิเศษเขาเรียกว่ารับไม่เป็นสัตว์ถ้าเป็นอาบัติสังฆาทิเศ ษ, เศษก็ไปรับว่าเป็นอาราชิกอย่างนี้เขาขเรียกว่าไม่รับเป็นสัตว์จำเลยรับเป็นสัตว์นี่ปับบบ๊บแบบนี่นะครับแบบหนึ่งความลงโง surgeon, ทษแกผู้ผิดเรียกตัทปาพิยะิีกากรรมอันนี้นะ่รับแบบหนึ่ง รัฐาพิเการกรรมยังมีออกไปอีกเพิ่มโทษถ้าทําให้ถูกความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียกตัฐสาพิยศการกรรมนี่เรียกอะรนะับแบบหนึ่งให้การกลับไปกลับมาพูดทรากรไนข้อก็เกลื่อนที่ถูกซักถามพูดมุสาซึ่งหน้าปฏิญญาแล้วปฏิเสธปฏิเสธเร้ยกปิญญาแล้วให้ปรับโทษ ถ้าเป็นนาบัติสังกาทิเศก็ให้เพิ่มหลายตัวเพราะให้การกลับไปกลับมาตัศวภาภยาัชกากรรมกรรมเพิ่มโทษเจ้าทศกูปภูุตลามก ค, ความจัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณเรียกเยภยัิกาอันนี้มีหนงับแบบหนึง่งเยภยัิกาในขั้งพุทธการมีขอบเขตเธอจัดเรียนจบพรัยพระดกก็ตาม ความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงแต่พวกเราท่านไม่มาค่าเอาตังให้ใช่ไหมทีนี้ความปฏีปนงมันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเลือกทินนวัตถารกมีใ น, อ, น, นนะอันนี้แปลว่าอาบัตเล็กน้อยแต่ว่ามันมีโจทย์มากมีชำเลยมากถ้าตัดสินในทางใดทางหนึ่งชนะ อธิการก็จะเทวีขึ้นเหตุนั้นจึงให้ปณีพนอมกันซักที่เราเรียกว่าไก่เกี่ยนั่นเองถ้าเป็นอาบัตปลาไรคิดจะใกล้เกียรไม่ได้เป็นอาบัตหนักนี่หมายความว่าอาบัตเบานิดนิดน้อยๆแต่ว่ามีโจทย์มากมียาเลยมากถ้าตัดสิ้นทางใดทางหนึ่งเทวีขึ้นออธิการกจะกาเริบขึ้นมีมีพวกมหาสักคนไหนอยู่นี่สมมหาครูกี่คน สามมาหาสามประโยคน์และสีประโยคน์ห้าห้าประโยคนขันห้าลูปเวทนาชัญญาสังขาทีวิญญาณเอา้ากรรมฐานในใจโลกธาตุท่านมาหายกมือขึ้นใครเป็นมหายกมือขึ้นยกมือขึ้นเอา้าท่านท่านมาหากี่คนกี่คนยกมือขึ้นอา่า เดี๋ยวเดี๋ยวกรรมฐานในไตรโลกธาในพระพุทธศาสนาย่นลงมามีสองกรรมฐานเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปกรรมฐานเพ่งอารูปเป็นอารมณ์เรียกอารูปกรรมฐานใช่ไหมถ้าตายคารูปและอารูปถ้าตายคารูปกรรมฐานก็ไปเกิดภพมโรกถ้าตายคาอารูปก็ไปเกิดอารมูปภพมใช่ไหมนั่นนอ่าทำไม ทาไม阿าดาราาบทอุทกดาบทลามบุตรภ า, า, าวนาจนถึงนิพพานญาดาสัญญายตนะแล้วเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้มามีความจําก็ไม่ใช่แล้วทําไมจึงไม่ถึงพระโสดาบันเพราะไม่ยอมตัวถึงมุพุทธศาสนาเพราะยังไม่ถือเพราะาศาสนาพุทธยังไม่เกิดขึ้นเพราะท่านยังไม่ยอมตัวถึงมุพุทธศาสนาทีน อันันตริยกรรม6มาทุค่าฆาบน า, าพิทุค่าคาเวดานะครับตาค่าคาบาหันโลหิตุบาททำลายพะพุทธเจ้าถึงอยบโรหิตแห้ห้องขึ้นไปสังฆเพศยังสองกแจกจากกันอัญญสัตว์ทุเทศถือศาสดาอื่นก็เป็นอันันตริยกรรม6ไม่สามารถจะถึงพระโสดาบันได้ใช่ไหมนั่นนั่นนั่นชัชาพิฐานานีอพิฐานทนอย่างหนัก6กชักไปว่า6กตาหูจงชักไปว่า6อันันตริยกรรม6 อันนันตริกเคยได้ยินแต่อัน น, รรอ น, น, อนันตริกรห้าอนั้นอันนั้นริกรำหกก็มีอยู่ที่นี่มีปัญหาสัคำาว่าทำไมพระอังคุิมาอนโ จ, นจรจึงสำเร็จพระรหันต์ฆ่าคนอโค ข, ขังก็เพราะท่านยังไม่ทันฆ่ามิดามาดาใช่ไหมพราะครูทั้งหกพราะลูกศิษย์ไปฟ้องไปฟ้องแต่แกไม่รู้ อันที่หน่วยนี่เลยเพวกลูกศิษย์ลิศสยาไปฟ้องว่ามันเรียนหนังสือเก่งมันมันก็เรียนหนังสือเก่งพวกนั้นไม่ทันไปฟ้องที่หนึ่งอาจารย์ก็ไ่รับฟ้องที่สองก็ไ่รับเขาเป็นคนตระกูลสูงจะไม่ฟ้องเข า, เาไม่ใช่หรอก ปีที่สามไปฟ้องอีกก็เลยเออคงกับคงคงจะเป็นจริงจริงเพราะฉะนั้นออก็เลยหาอุบายให้มันไปฆ่าคนซะ เ, ออเขาจะฆ่ามันเองดอกถ้าเราจะไปฆ่ามันตรงๆเดี๋ยวมันตะกูลสูงมันก็ฆ่าไม่ได้หาอุบายให้มันไปฆ่าคนให้มึงไปฆ่าคนซะกูจะบอกวิชาอ่าข้อหัวผีให้ไปเกิดที่ไหนเขาะได้หมดเว้นไว้แต่พระหลัง ทีนี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าอังคุติมานโจรฆ่าคนมากทําไมจึงเสื่เร็จพระทหารก็พระเหตุว่ายังไม่ได้ฆ่าบิดามารดาต่อเมื่อจะฆ่าบิดามารดาเพราะบิดามารดาได้ทราบข่าวว่าเอเขาจะจับอังคุติมานโจนแล้วบิดามารดาก็ออกลัดทางเขาก็ต้องตาคายเพราะบรรามศาสตราพราะรามศาสตราก็ไปหาอังคุติมานโจนมันจะไปฆ่า มันจะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้ว เ, เดี๋ยวมันจะไม่ได้มรลนิาพานนิจใจของมันมีมรลนิาพานอยู่เราจะไปรัดขนทางแต่ก่อนทาไมจึงไม่ไปรับก็พระกรรมของอังคุฎิมานชนยังไม่หมดก็อาจเป็นได้พอไปถึงไร่พระมโรมศาศาศราพระมรมศาศาศราก็บรรดันบรรดานไม่ไมใ่มให้ทันเ อ, อบรรดาลมีขวักมีน้ำอะไรต่ออะไรมาให้ทันเลยะ สิ้นทางสามโยอดเหงื้อรักแน่ออกนั่นนักนนั่ยุดยุดยุดยุดยุดเรามันหยุดแล้วเธอไม่หยุดหยุดยังไงไปอยู่ก็เธอคุมเราเราเธอจะฆ่าเราเราก็ไปที่เราหยุดแล้วไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเธอมันมันไม่หยุดใช่ไหมพวกเราภษาไิ้งอไออหลวงพ่อได้พูดจริงกือทิ้งทิ้งดาบเลย เขาไปหาพระองค์พระองค์ก็จับหัวเธเนี่ยเออถ้าเราไม่มาเธอจะไปฆ่าพิรามาของเธอเออเออที่ี่ลอกให้เลยแล้วขอมาบวชที่ยังมียาวเหยียดเอาเท่านั้นพอแล้วเรื่องพระพุทธศาสนามีอยู่ทุกคนทุกแห่ง น, นั่นันั่น น, น, น, น, น, นทำไมพระพุทธศาสนาจึงมีมากก็พูดมากสิ ถ้าพูดมากเขาเรียกว่ามหาวัตรหรือทีขวัตรถ้าพูดขนาดกลางก็เรียกว่าจุนลวัตรหรือมัดทียวอ่าถ้าอ่าเรียกว่ามัดเทียวว่ามัดวอืมถ้าพูดยอ่อเขาเรียกว่าจุนลวัตรถ้าพูดย้อนลงไปเอกะเนวบาทก็มาดูพวกพังนะนนั่น น, น, น, นัขันห้าย้อนลงมาเป็นสองดูดูก็มีรูปขันหนามขันเท่านั้น่ะรูปก็เป็นรูปตามเดิมเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณ เป็นานา ม, มนขมันรูปกับนามก็เกิดขึ้นหน้าแปลภวในแตกสลายเท่านั้นเอ้าย้อนสัจจิปัฏฐานขี่ลงมาเป็นสองดูดูกายเวทนาคิตธรรมกายก็เป็นกายตามเดิมเวทนาคิดธรรมก็ย่นลงมาเป็นนามเอเอ้าเอ้าอ้าอาเอ้ย้อนอธิษฐานปัญญาญสูตรลงมาเป็นสองซิตาหัวจมูกเล่นกายก็ย่นลงมาเป็นรูปขันรูปประธาตก็ว่ารูปธรรมก็ว่ารูปประขันก็ว่า รูปโรค ก, ก็ว่ารูปสังขารก็ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนามนามธาตุนา ม, นา ม, นามขันนามโรคนามธรรมก็ก็ว่าทีนี้ย 4, ้อนชัติวัชสา4สี่ลงเป็นสองดูดูาจเวทนาคิรรมพระพุทธศาสนาอะไรสูงกว่าเพื่อนก็พิพจารณาลงถึงอนัตตาธรรมเท่านั้นอนัตตาธรรมเป็นธรรมท่นสูงที่สุดแต่อนัตตาฝ่ายสังขารจะ เอามาตีค่าเหมือนอนัตตาฝ่ายพระเนพานมันก็เรียกว่าไม่รู้จักของลึกๆของตื้นสัพเพธรรมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาถ้าไมพูดอย่างนี้ก็ไม่ถึงใจเท่านพ่อแม่นี่เองเหมือนกันไง <c oughs> นี่เรียนมากสัพเพธรรมาอนัตตาพะระเถระ เถียงกันอยู่ทุกวันนี่พระเทระจาพวกหนึ่งก็บอกว่าพระเพพานไม่ใช่อนัตตาเป็นอัตตาเป็นอัตตาที่ไม่เกิดไม่ดับเขาเลยเถียงกันอยู่ก็มีมาในหนังสือธรรมจักสุกอ่านไะด้อ่านเลยทีนี้ความเป็นจริงมันก็สะเพธรรมาอนัตตาเองถ้าจะให้เราตอบเราก็ตอบง่ายๆเอา้า ทำไฟเกิดไฟดับก็เกิดก็ดับอยู่หาระหว่างไม่ได้ทำายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่หาระหว่างไม่ได้ไประจําโลกอยู่ทุกยุทุกสมัยทุกการทุกววเวลาด้วยใครเป็นเจ้าของทำายเกิดไฟดับใครเป็นเจ้าของายไม่เกิดไม่ดับมันก็เป็นของว่างอยู่ตามธรรมชาติว่างเพราะมันมีเจ้าของว่างเพร <aug> าะมันมีเจ้าของเพราะเป็นธรรมอยู่ตามธรรมชาติ พระนรพาลก็ไม่ได้บอกว่าท่าน wa, anya, ทั้งหลายไม่รู้พระเนรพาลข้าพเจ้าจะให้ anya, ท่านทั้งหลายมาเกิดเก่เก็บกายอยู่นี่พระนรพาลก็ไม่ได้ว่าสังขารก็เหมือนกันถ้าไม่รู้เท่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมาให้หลงอยู่อย่างนี้ก็ไม่ว่าทำทั้งหลายก็มีอยู่ตามธรรมชาตินะเขาเรียกว่าสัพเพธรรมานาตาที่ทำทั้งหลายทั้งพวงเป็นอนาตตาแต่สังขารเป็นอนาตตาฝ่ายเกิดดับแต่พระนรพานเป็นอนาตตาฝ่ายไม่เกิดไม่ดับมันก็หมดเรื่องเท่านั้นถูกไหอ มันก็หมดเรื่องเท่านั้นอัตตาอนัตตามัเนี่ยทำให้สัตว์ทั้งหลายมาเกิดแก่แกบตายผู้ที่ไม่รู้เท่านั้นเองมันมันหลงะทาทั้งหลายมีอยู่ก่อนแล้วอไม่ใช่ว่าเราบัญญัติดินดินจริงจะมีเราบัญญัติน้ําน้ําจึงจะมีเราบัญญัติไฟไฟจึงจะมีเราบรรญัติลมลมจริงจะมีเราบัญญัติพระนิพพานพระนิพพานจึงจะมีเราบัญยัติฉังขานฉังขานจรงมีไอ้ที่แท้มันมีอยู่ก่อนแล้วถูกไหมนั่น ทัานทั้งหลายมีอยู่ก่อนแล้วเอสะธรรมโอชนันตูพระธรรมเป็นของเก่าของเก่าทั้งสี่ที่ควรปฏิบัติทุกขกับสมุทัยทุกเป็นผลทุกเป็นของควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นของควรเว้นเป็นอนัตตาที่ควรกําหนดรู้เป็นอนัตตาที่ควรเว้นมักเป็นอนัตตาที่ควรเจริญนิโรธเป็นอนัตตาที่ควรทํำให้แก้งมันก็หมดเท่านั้นถูกไหมนักนักนัก ทำแฉระบบระบาดตรงต่อเขานีานหมดมันขึ้นอยู่กับบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วหรือไม่แต่ให้เราตอบนักธรรมเอกเราไม่ตอบเหมือนเก่านะทุกวันนี้นะ อ, ะอะถ้าจะตอบให้ถูกสนามหลวงเขาก็ตอบว่าเขาก็จะถามมาว่าผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นเป็นสมถะหรือปรัชนาเล่าถ้าตอบให้ถูกก็ตอบว่าตอบว่าเป็นสมถะพระ ผู้ภาวนาพุทโธสามารถถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่สามารถถึงอัปปนาสมาธิตอบในสนามหลวงเขามันต้องถูกอย่างนั้นเขาเพียงเขาหมายกันเพียงเท่านั้นแต่ให้เราตอบทุกวันเนี่ยเราไปตอบอย่างนั้นผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นจะว่าเป็นสมนถะหรือวิปัสสนาก็ไม่เชิงยกกระทอนเช่นเวลาเขาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนั้นเขาเห็นวัจจีสังขารของเขาเกิดดับอยู่ แต่พุโทโธแต่คุณของพุโทโธเป็นอนัตตาคุณที่มัเกิดไม่ดับไปไหนเพราะเป็นโลกุตระคุณถ้าเขาเห็นความพัดกลับกันอย่างนี้จะว่าเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ไม่ถูกก็ให้เข้าใจว่าเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาสัมพยุทธกับสมถะพูดอย่างนี้ยก ท, ห อ, อทหอนอุทหรอีกอืเช่นผู้วริกรรม ละโชได้นังละชังฮารติละโชได้นังละชังฮารติมันก็น่าจะเป็นบริกรรมทําไมจึงแตกฉานไปทีส่สำมิทาสีเล่าเราพูดอย่างนี้ทีนี่มันก็ขึ้นอยู่กับบารมีแก่ข้าของแต่ละท่านแต่ละคนจะไปผูกขาดมันก็ไม่ถูกเช่นนกยางกินปลานกยางกินปลาบางคนก็สําเร็จพระรหัสเราพูดอย่างนี้ที่นี่นี่พวกนักเรียนก็จะ อ, อถ้าะให้เราผิดเราก็ไม่ยอมเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้น ถูกไหมมันขึ้นอยู่กับบา ร, รมีแก่กล้ามาเรียหรือไม่เท่านั้นคําสอนจะระบิระบาดตรงต่อพระ涅槃ทั้งนั้นมันถ้าอย่างนั้นสังขโหะสังขโหมีไว้ทําไมสังขโหก็แปลว่าสงเคราะห์สังขโหก็ไม่สงเคราะห์เอกวราชชน ะ, ะพูดลงมาเป็นคําเดียวเพราะหูวัจนะก็พูดมากใช่ไหมก็ย่นลงมาหาเอกรานะใช่ไหมนั่นนั่นชาติทุกตัวลงมาหาเอกทุก ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะข้ามทะเลหลงของตนไปได้อุปทานทั้งพวงมีอัตวาทุปทานเป็นจอมพลกิเลสเขาถ้าช น, นะถ้าช น, นะอัตวาทุปทานเนี่ยอุปทานทั้งพวงก็เตะ ก, ก็เจิงไปด้วยเลยไม่ต้องเรียงเบบ ดวิชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับอายตนะพัสสาวทนาตัณห า, า, า, า, า, าณะะอุปทานภพชาชลาบรณะโสขปริเทวทุกขโทมานุปปายาตดับเป็นอันว่ากองทุกตั้งมวลดับด้วยประการอย่างนี้ก็ไม่ต้องกล่าวที่ทำไมพระองค์จึงกล่าวเพื่อให้สมภูมิเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดถูกไหมท่นานนที่นี่เราดับตาอยู่อย่างนี้ ท่านเป็นผู้มืดจงหนีไปเนิ่ก็ไม่ว่าเนี่ยมันไปเลยนะนะนะมืดก็ไม่ว่าถ้าเป็นผู้ลืมตามาแล้วเข้าไปเจ้าจะลาท่านไปละก็ไม่ว่านันะนเะช่นความฉลาดเหนือความหลงตอนไหนความหลงตอนนั้นก็แตกก็เจอถ้าฉลาดเหนือความหลงทุกประการความหลงก็แตกก็เจอไปเลยโมหะ ก, ก็ว่าอเวชากรียก ทำไมเออตาหูจะมูกเลี้ยงกายใเป็นฝั่งในทูบเสียงเสียระะ์รถโพธิพะเป็นฝั่งนอกในระหว่างกลางเป็นทะเลตัดความยินดียินได้ในระหว่างกลางซักอย่าไปยินยันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันก็ข้ามทะเลหลงไปเท่านั้นขามนิดเดียวอ๋อพระโมคคัลาดพระโมคคราาด อาจารย์ผูกปัญหาให้คนละข้อละข้อให้ไปกราบทูลพระบรมศาราพ า, า, ามพารวีไปไปถามาพระบรมสาดาผูกปัญหาให้คนละข้อละข้อในคนช่อหกคนโศรสะปัญหาโมคราชสำคัญตัวว่าคนช่อหกคนเนี่ยไม่เท่าเราเลยละเราไปนี่เราจะคิงถามก่อน ไม่เท่าเรามีทิฐิมานะอถืออัตตวาทุปาทานมากอัตตวาทุปาทานความเห็นว่าตนมันมากกว่าเพื่อนหอมอเนี่พอเข้าไปหาพระบระมศาสด า, า, าตราบทูลเข้าไปหาพระบระมศาสด า, าดักใจเห็นแล้วลดตำแหน่งอุปท า, านลดตำแหน่งอัตตวาทุปาทานลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ย ย, ยังไม่ถึงเวลาของท่าน อัตวาสุปทานก็ลดตำแหน่งบ้างทีนี้ความเห็นว่าตนฉลาดก็ลดตำแหน่งลงบ้างทีนี้เข้าไปขั้นที่สองทีนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ถึงวาระของท่านลดตำแหน่งลงอีกแล้ว่ะความสำคัญว่าตนเองมดกำลังใจทีนี้ <laughing> <laughs> เข้าไปขั้นที่สามทีนี้เอาสุดท้ายหมู่นอกนั่นหมู่ก็สําเร็จพระรหัสดหมดขาม้าพระธรรมรังยังเหลือแต่เปิงขี้ยะ ปิงชียะพอนึกถึงอาการทำกิจให้ฟุ้งซ่านก็เลยได้แต่เพียงอนาคามีส่วนทางนั้นก็สํำเร็จพระรหันทางนั้นเพราะท่านเหล่านั้นเก่งทางสมาธิมาแล้วแต่อนัตตาทำยังไม่ปรากฏยังไม่ปรากฏชัดพอโมกขราเข้าไปชั้นชุดท้ายูที่หลังหมูนี่ค่ัโมกขราชเธอจงพิจารณาโลกเป็นของศูนย์ ถอนอัตตารุทิถึงความเห็นว่าตนชักชาติชราพญาธิจะไม่มาถึงท่านครับพอแล้วกันแต่ชาณาพิชิสมิธาสีนั่นนนัพิจณาอนัตตาอนัตตานั่นเองจะทำลายอัตปาอั ต, ตวาทุปาทานทางปวงการมุปาทานถือมันในกาม ทิฏฐุปาทานถือม okay, uh, ันในทิฏฐิศีลปฏิต an ูปาทานถือมันในศีลพราัตวาทุปาทานถือมันว่าตวาตนว่าตัวนั่นเองทําลายอุปาทานทางปวงนั่นนั่นเอ้าถามย้อนเข้าไปเอกว่าพระอาหารรักษาจิตไหมท่านมาหามาแล้วรักษาจิตดับพระอาหารถ้ามันพิษให้คัดค้านมาถ้าพระอาหา์รักษาจิตพระอาหารก็เป็นทุกข์ตา้ พระเกรงว่าพระรหารรักษาจิตก็ไม่ผิดจากคนคุมนักโทษคนคุมนักโทษเป็นทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์เกรงว่านักโทษจะทําอันตรายแก่ตนด้วยเกรงว่านักโทษจะหนีด้วยก็เป็นทุกข์ตายพระทหารก็เป็นทุกข์ตายถ้าพระรหารรักษาจิตยอยู่เราเทียบได้อย่างนั้น <necessary. S 2> พระนหัน <estion> <sewer. S 1> ไม่รักษาจิตเลยถ้าไม่ยึดถือว่าเป็นจิตเป็นตนตนเป็นจิตผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้แล้วมันก็ไม่มีพิษจะไปรักษาทำไมนกบินในอากาศไม่มีรอยจะไปรักษารอยทำไมมีเฉือนน้ำไม่มีเผลจะไปรักษาเผลทำไมน้ําข้างใบบัวก็ไม่ติดใบบัวถ้าพระหันรักษาจิตอยู่ พระหันก็เป็นคนคุมนกโทษนั่นก็เป็นทุกข์ตายแต่พวกเรามันไม่รักษามันก็ผิดจริงๆใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นั่นนันนั่นนพวกเรายังไม่พ้นพรพนิพพ า, านเอาปัจจุบันไปด้วยไหมไม่ได้เอาอาศัยปัจจุบันก็คือรวมพลไตสิขาลงมาอยู่ในปัจจุบันเฉยๆไม่ได้เอาปัจจุบันไปพระนิพพานด้วยนะ โยมคนหนึ่งเหมือพระองค์หนึ่งเหมือนกันมาถามมาถามลุงปู่มาเห็นกันหลายปีแล้วคูว่าคูบ้าคูบ้าพ่นจากเกเรตแล้วเลยยังยัเงเกเรตของผมมันมีมากมันไม่พ้นรอกลวพูดอย่างนี้ผมพ้นแล้วครับแกสําคัญว่าแกพ้นจริงๆเอา้าท่านพ่นแล้วท่านเล่าให้ผมฟังดูดูงานจบของท่านอาจารย์โกงมาพูดกันปัจจุบัน ผมอยู่นปะปัจจุบันครับอดีตผมเบื่อแล้วอนาคตผมก็เบื่อแล้วผมไปกราบทูลหลงปูเขาวท่านก็ให้คะแนนผมอยู่ผมก็ให้คะแนนท่านอยู่เพราะท่านเดินมักถูกท่านรวมศีลสมาธิปัญญาลงมาในปัจจุบันแล้วถ้าไม่ได้คว้าหาไม่ได้เบืเอื้องในอดีตอ น, นาคตท่านรักปัจจุบันปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นแมงก้อนแง่งคอนแครน ท่านเดินมรรคแลผลเชื่อมโยงกันอยู่เดี๋ยวนี้แต่ท่านยังไม่มีญาณว่าเบื่อหน่ท่านก็ยังถ้าท่านตายคาเดี๋วนี้ท่านก็ไปเกิดอรูปประภุมหรือภูมโลกอเพราะท่านนี่ถ้าท่านเหนี่ยวรูปเป็นอารมณ์อยู่ท่านก็ไปเกิดภูมิโรกถ้าท่านเหนี่ยวอรูปเป็นอารมณ์อยู่ท่านก็ไปเกิดอรูปภูมิโลกอรูปพระภุมเพราะท่านยังไม่มีญาณว่าเหนื่อยเบื่อหน่ายญาณสัมปยุตยังไม่มีญาณว่าเบื่อหน่าหนว่าคลายว่าหลุดว่าพ้นของท่านยังไม่มี ออืมท่านอาจารย์เขาก็บอกว่าผมถูกผมถูกผมก็บอกว่าท่านถูกเหมือนกันเพราะท่านย่นไตซื้อขาลงมาในปัจจุบันแล้วแต่ว่าท่านเกิดปีติพอใจอิ่มใจในปีติสาคตาธรรมาของท่านอยู่สุขาสาคตาธรรมาของท่านก็มีสุขในปีตินั่นอยู่แล้วก็ท่านก็เลยลืมตัวว่าท่านพ้นแล้วไอ้ทีแท้ไม่พ้นหอกเอ้า ผมจะว่าเราให้ฟังผมยังไม่พน้นหัวด้านหัวของปลาคืออนาคตกลางตัวคือปัจจุบันหางคืออดีตพระบรมบอกว่าใครรูปเบื้องบนคืออนาคตใครรูปเบื้องจำคืออดีตใครรูปเบื้องกลางคือปัจจุบันและไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามท่านผ่้นั้นพ้น จากทะเลหลงไปเลยพระบรมาศราลานี่หลักไงนี่หลักเดินทางไม่ดูแผนที่เดี๋ยวหลงตายพูดอย่างนี้เราเดินทางไม่ไม่ดูแผนที่หลงตายเอา้าอนาคตก็คือหัวปลาแล้วท่านไม่กินเพราะมันมีกระดูกท่านมากินตรงพุงที่ตรงกลางของมันคือปัจจุบันมันอร่อยหางท่านก็ไม่กินทีนี่ ท่านจะไปไดเศษฉลาดแกมโกงว่าท่านไม่กินปลาตัวนั่นผมก็ไม่เชื่อ<ร>เลยว่าอย่างนี้นี่เกาหวัวสิเกาหัวเลยหวัวเลาะกันสินี่ท่านกติดอยู่ในปัจจุบันถ้าท่านยังติดอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านก็ไปเกิดในพม่าโลก ในรูปประมหรืออรูปประมที่ท่านเพ่งอยู่ยังไม่พ้นเราพูดอย่างนี้เรารู้อดีตตามไปจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามไปจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามไปจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสามเหตุนตั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจรึงไม่มีพระบรมศาสดา น, ะ น, ะ น, ะนับนับเกาหัวที่ท่านอาจารย์ชวนก็หัวเราะเตลือเออแกก็เลยเดี๋ยวนี้แกตา ย, ลยแล้วเดี๋ยวนี่ แกคงจะสําคัญว่าแก่พ่นจริงๆผู้สําคัญว่าพ่นไม่ปราบปาราช็กตนไม่พ่นก็รู้ว่าตนไม่พ่นดูแล้วไปอวดอุตตนีมนุษยธรรมผู้ฟังเข้าใจความหมายว่าอวดเข้าใจความหมายผู้ฟังเข้าใจความหมายก็เป็นปารายเช็กไม่ลำบากชี้ขบวขอ้อนี้ชี้ขบวปารายเช็กมันปรับกัญญาพิกซุเสภะทุนก็ดีพิชซูรักของเขาก็ดี พิษวดอวดออุตตนีมนุษยธรรมก็ดีพ <that> ิกษุแก้ฆ่ามนุษย์ใตายก็ดีประราชิกสี่สังคาที่เสียชีิตสามมันเป็นสิศขาบทที่มีเกตนาถ้าไม่มีเกตนาก็ปรับกันยากอวดอุตตรีมนุษยธรรมก็เหมือนกันมันปรับกันยากมันต้องอาศัยเกตนาพิกษุฆ่ามนุษย์ก็อาศัยเกตนาเหมือนกันเกตนามี ให้ให้ตายแต่ไม่ตายเป็นอาบัตบทุนนัดใจถ้าตายเป็นนวัดปราชิกหรือนิยมการนิยมเวลานี่อีกอยู่เหมือนกันเอ้าแล้วแต่จะฆ่าให้ตายจะฆ่าด้วยวิธีไหนก็าตามมันมอย่างเขาพูดเป็นรวมๆอย่างนั้นฆ่าตายเวลาไหนก็เป็นปราชิกเวลานั้นให้เอาอาวุธอันนี้ไปฆ่าแต่เขาเอาอันอื่นไปฆ่าก็ไม่เป็นหนักหนักเป็นอย่างนั้นท่านมหาลู ด, ดีนี่ ที่นี่ต่าไปมันก็เบื่อหัวแล้วให้พรกันจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวบางตัวไม่ทำอย่างนี้เราเดี๋ยนี้ง่วงเงาห้านอนพระบรมศารีริาไม่ทรงสรรเสริญเน้อพระบรมศารีริาไม่ทรงสรรเสริญง่วงเงาห้านอน พระบรมศาสดาก็าหาอุบายเหมือนกันพระเจ้าพิเสณหรือเคือไข่หรือพระเจ้าเพิมพิสารไปหาพระบรมศาสดาสาัพปงก์ทีนี่พราะขุ้นเชื่องกันองค์สมเด็จพระบรมราชาวันนี้พระองค์คงจะเสวยพระกระยาหารมากใช่ไหมยิงแล้วพระเจ้าข่ า, ขาหาอุบาย นี่พระมาหามเาิชคนกันเองผู้สวยภรกยาหารมากมากระเพาะอีมแล้วกรตาสายเหมือนเหมือนหมูหาเทนอน เ, อเป็นพุทธชนคนหนามากคนนอนรับง่ายก็เหมือนกันพระเจ้าพิมพ์สารก็เลยแต่น่นาก็หาโอบายให้พวกนางสนมร้องเพลง อยาจะให้ไปอย่าไปให้มองดูพระเจ้าพิพิ ษ, ษารหน่อยอย่างนั้นอย่าไปมองหน้าท่านหาอุบายรับหลังอคนกินจุเหมือนหมูกินอิ่มแล้วก็ตาสายหาที่นอนให้เขาร้องเพลงเล่นค่อยๆเลวอย่าไปมองดูพระเจ้าพิพิ ษ, ษารนี่ยเขาก็หาอุบายร้องเพลงตัวแต่นั่นท่านก็ไม่ทานอาหารมาก คงจะยังไม่ถึงพระโฉดาบันในณะในในสมัยนั้นคงจะไม่ถึงพระโฉดาบันคงจะไม่ถึงในสมัยนั้นคงจะทีหลังจึงจะถึงพระโฉดาบันเพราะพระเจ้าพิษษามพิสารไป็นพระาสมราบันแล้วเขาก็โจดเหมือนกันพระเจ้าพิมพิสารถึงพระโฉดาบันแล้วอทําไมจึงไปบอกให้เขาฆ่าโจรห้าร้อยนั้นที่ไปฆ่าพระโมคคารานั้น มันจะไม่ผิดศีลหรือเขาก็ถามเหมือนกันทีนี้เราจะตอบอยังไงแล้วก็ต้องตอบว่ากฎหมายเขาตั้งไว้แล้วไม่ใช่พระเจ้าเปพิมพิสารฆ่าอกฎหมายฆ่าเองเพราะกฎหมายเขาตั้งไว้แล้วพระเจ้าเปพิมพิสาราไม่ได้ฆ่าสัตว์ถ้าอย่างนั้นผู้เป็นปา ร, รายศกก็ไปปรับโทษแก่พระบรมศาสนาเสียสิ <c oughs> ก็กรรมของเขาอะนั่นแหะนั่นถูกไหม พระพุทธศาสนาผู้ยินดีในพุทธศาสนาชนะความยินดีทั้งปวงสนใจอะพระพุทธศาสนาชนะความสนใจทั้งปวงธรรมวิจยะสอดรองทำเป็นตัวปัญญาผู้ใคร่ครวรทําเป็นผู้เจริญธรรมกาวางังพ่อโบโหติผู้ไม่ควรใคร่ควรทำก็ตรงกันข้ามผู้ใคร่ควรทำเป็นผู้เจริญพระบรมศาสนา เป็นห่วงพระราหุลเกรงว่าจะหมุนไปทางโลกเหตุหนั้นจึงให้พระสา ร, รีบุตรบวชซมาขอทรัพย์พระพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธศาสนาง่ายๆไม่เป็นสมบัติของผู้โดยคนคนหนาที่จะมาเคารพนับถือใช่ไหมเป็นสมบัติของผู้บารามีสูงแลว้ว ไม่เป็นฐานะของผู้ยังกอสระอากาขอสระอาขาจับมาสมัครเป็นปริญญาโทมันก็เอกมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ทีนี้พูดแบบลู ก, ลกหลานนะห่นะเราก็สมนำหน้าพวกคุณครูอยู่ ทีนี้ไปที่ไหนมันไปแม่รอดก็โค้งหน้าเข้ามาหาพระพุทธศาสนาใช่ไหมนั่นถูกไหมท่านวะถูกไหมนั่นไปที่ไห น, นก็ไปแลนะ้วขล่ะนั่นกรรมและผลของกรรม ม, มีใครจะไปเชื่อพระพุทธศาสนาทําไมไกรรมและผลของกรรมมันมีอ่ กรรมแลวากิริยาที่ทำทำด้วยกายยกษกายกรรมทำแหววจาวัาาวาชีกรรมทำทั้งสามอันก็เรียกว่าครบครบสามพร้อมรวมสามทีนี้บางท่านก็บอกว่าภาวนานอนภาวนาได้ไหมเวลาตายก็นอนตายได้เองก็นอนภาวนาสิผู้ที่ยืนตายผู้ที่ยืนตายก็มีแต่ภาวการกะเท่านั้นผู้ที่ยืนเข้าสู่พระ涅槃เหลือรอ่านั่นก็นอนเท่านั้น พระบรมศาสราคงนั่งกันเวลาจะสิ้นรงรปานก็นอนนั่นเองก็นอนภาวนาผู้ใด น, นอนหลับคาภาวนาเอีผู้นั้นมีสติมากถ้าวันไหนสติของเรามากนอนหลับคาภาวนาอ่าตื่นขึ้นมามันก็มาเห็นกรรมฐานอันนั้นอมาเห็นกรรมฐานที่เราเข้าไปอ่าถ้าตื่นขึ้นมาเออข้าภาวนาอะไรหน่อยอย่างนี้สติเลี้ยวไหลแลี้ยตืินนั <laughs> ่น เราจะไปเห็นในมิตรในม้อยอะไรก็าตามเวลามันสะดุ้งมามันก็เห็นภาวนานั่นเองนะคถ้ามันไม่เห็นภาวนาเราภาวนาอะไรเราจึงหลับอย่างนี้เรียกว่าสติเหลวอะไรมากทีนี้ทดสอบดูดูถ้าเวลาเราหนักภาวนาเข้าเราไม่ค่อยตื่นสะดุง้งเน้อเช็ดเต้ออาอุ้มยานี่ก็ไม่อย่างนี้อ <laughs> ผู้ใด มีสติชอบตื่นสะดุง้งเหมือนเนื้อในป่าเพราะของเขาก็ไม่เจริญนะพระบรมศาสดาสอนเราไปหัวเราะเราไปหัวเราะท่านอาจารย์นเนตรจำตามมาถึงเราท่านอาจารย์นเนตรเดินยังกรมไปเดินยังกรมไปผ้าระคดเอวใหม่ทีนี้มันหลุดลงก็ว่างู พันขาที่กระโดดเลยเราไปหัวเลาะเลยเราก็มาถู ก, กที่ห้อยทรายแล้วก็พ้าสะโเอวผาสะโเอวไหมเดินไปมันตกลงแล้วก็ตื่นเลยเออกำถึงเร็วแต่เช้าวานนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยตื่นดอกเดี๋ยวนี้ ใครหาความสุขไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ประไม่เห็นพระอรหานมหาไม่เห็นเลยสุขในขณะขัดก็มีอยู่สี่อย่างสุขเกิดแต่ความรูทสับสุขเกิดแต่จ่ายสับบริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นนี้เป็นศีลสุขเกิดแต่ทำงานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอ น, นิจจังเกิดขึ้นแล้วก็ปป่วนแล้แตกสลายไปหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจ ไม่พบไม่ปักไม่เห็นเหตุนั้นจึงเบื่อหน่ายความหลงของตนซักข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงนัทธีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเห็นอั น, นจังคณะคิดหนึ่นเงเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมนั่นเพราะโลกเต็มไปด้วยอั น, นจังสองทะลุภูเขาเลยภูเขานมา็แตกกระจงเป็นใช่ไหมนัน เห็นทุกคณะที่หนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกจะไปด้วยกองทุกงันถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะพ้นโลกไปได้ถ้ายังทีนี้พระบรมศาสดาพูดหลายขั้นหลายตอนพูดคนชั้นสูงทีนี้เธอทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายยังไม่รู้ตนว่าพ้นทุกข์ในวตาสงสารโดยสิ้นเชิงเธอทั้งหลายอย่าไปนอนใจเนิ เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระบรมาสารีรา ไ, ไฟไหม้หัวของพวกเธออยู่พรุ่งนี้พวกเธอจึงจะดับมันจะถูกไหมพระบรมศารีทำชั้นสูงผู้นอนใจในวตาสงสารกับผู้นอนใจในลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นเองนั่นทำชั้นสูงนะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลัง พรามชาา น, น, น, นเพื่เราเที่ยวไปเกิดนั่นเที่ยวไปเกิดนี่มันเปลี่ยนคุกออกจากคุกนี่ก็ไปเกิดคุกนั่นออกจากคุกนั่นก็ไปคุกนี่เฉยๆดัดดั ด, ด, ดถูกไว้เอไปพรหมโลกพรหมโลกมันแบ่งออกเป็นสองพรหมโลกที่เป็นโลกีมันก็ยังไม่ถึงพระโสดาบันพรหมโลกที่เป็นโลกุตระก็มีพระอนาคามี การมเวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไม่มีในผู้ใดผู้นั้นถึงพระอนาคามีแล้วการมาวิตกความตริในทางกามพยาบาทวิตกความตริในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตริในทางเบียดเบียนไม่มีในท่านผู้ใดท่านผู้ใดไม่ส่งเสริมกามมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกท่านผู้นั้นถึงพระอนาคามีแล้วโรคโกรธ ไม่มีในผู้ใดผู้นั้นถึงพระอนาคามีแล้วความกุิลไม่มีในผู้ใดผู้นั้นถึงพระอนาคามีแล้วให้หมดมาเข้าหูดูดูมึงเถอะกูจะเอาให้มึงตายอย่านี้ไม่ใช่พระอนาคามีนะแต่ก็ไม่ใช่พระสวสดาบันอีกด้วยนัย่น <laughs> นั่นันนันนจะภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็ตามมีเครื่องทดสอบอยู่เหตุฉะนั้น พระบรมศาสดาจึงมอบให้เป็นสันทิฏฐิกโกสันทิฏฐิกโกพระโสดาบันสันทิฏฐิกโกพระตาคาคามีสันทิฏฐิกโกพระอนาคามีสันทิฏฐิกโกพระจต่างแปลว่าเห็นเองรู้เองสันทิฏฐิกกโกลงโอเห็นเองพ่นก็ให้รู้ว่าตนพ้นไม่พ้นก็ให้รู้ว่าตนไม่พ้นคนอื่นรู้แทนไม่ได้พระบรมศาสนาเกรือเข้มขนาดไหน เธอก็เจ็บดูกินดูซิเราไปเพียงขี่บอกเท่านั้นง่วงนอนก็นอนเองชิวน้ําก็ดื่มเองนิ้วอาหารก็ทานเองเราจะทําแทนไม่ได้พระบรมศาติลาบางท่านพระทหารไม่มีดอกพวกวันนี้แต่เราไม่เป็นพระทหารทําไมจึงจะไปเห็นพระทหารเน่ยเราคนตาบอดนั่นน นั่นนั่นถ้าเราอยากเห็นพระอรหันต์เราก็ต้องดูต้องเป็นพระอรหันต์เสียก่อนถ้าเราอยากเห็นพระโสดาบันเราก็ต้องเป็นพระโสดาบันเสียก่อนถ้าเราอยากเห็นพระอนาคามีเราก็ต้องเป็นพระอนาคามีเสียก่อนถ้าเราไม่เป็นพระอรหันต์เราจะเห็นพระอรหันต์ทำไมถ้าเราไม่กิีบเกลือเราจะรู้ว่าเกลือเค็มยังไงนน่ถูกไหมยะถาวานิวาปราปริปุริยติสาลังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติ จิตังวัจิตังตุมางเขปเมวัชมิตรศุขะเพยปูเรนดูสังกป่าจันโทพนรโสยถาเมริโสธิราโสยถาสภีตโยเยวัจันตัสโโสะปุโกสะพะเพโยสะพโลกวินัสเจตวาเตภวัตตันตรายโยโยขีทีขาโยโกโพอ ภ, าภาิวาทนสีนิจานิจังวุทธาปะัยญูจัตตารธรรมาวัชันติอายวุวโนสุขังพลังด้วยเดชพระพุทธศาสนา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 ข้าพมาสมาพระพุทธเจ้ายี่ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยโด่วนโดยไม่เหลือพระเจ้บันัจิตปัจิบันัธรรมเทินพระจุบบานัจิตปรจบัธรรมอันใดที่รู้ตามเนจริงปฏิบัติตามเนจริงลดทอนตามเนจริงโดยไม่เหลือพวกเราทั้งหลายจงรู้ตามนจริงปฏิบัติตามนจริงลดทอนตามเนจริงโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเถิด อ, อไปหาาะนะ่